พูดว่าสวัสดีค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะ คริสต์มาสกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าวันอะไรที่เปรียบเทียบกับคริสต์มาสได้บ้างหรือเปล่ากราบ ค่ะนะเอ่อเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเปรียบเทียบถึงเอ่อในทางคําสอนของเนี่ยที่จะระลึกค่ะเอ่อซึ่งซึ่งทั้งหมดค่ะอืม มีความแต่ว่ากันไปคนอ่าวันเท่าไหร่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อไปของโลกมุสลิมที่ดิฉันได้ไปเจอเนี่ยก็<ใช> ติดตัวเค้าแล้วเค้าคล้ายๆหลงหายใจเลยนะคะอืมคือทันทีที่เข้าไปด้วยอืมจนทางเราต้องถามเค้าอ่ะนะคะ เขาจึงเลือกวิธีที่จะเคารพ God is the greatest อืมค่ะพระเจ้าค่ะชาวพุทธของเราถ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าๆเนี่ยจะด้วยวิธีใดดีท่านครับอ่าก็มีเอา 16 กิโลเมตรคูณเข้าไปก็เอ่อ 1 <Yes>, <'s okay>. <mathematically> 2 มีสติไม่ลืมหลงนะมีสติไม่ลืมหลง 3 มี 4 มีจิตตั้งมั่น การที่ปราชญ์จักรีวรนะมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กรนไกล โดยหมายรูปประคมเนี่ยเป็นเครื่องที่ให้เค้าระลึกถึงเอ่อป๊บอ่ากอดของๆแต่สิ่งที่ <este> develop เรื่องของการทำในใจเช่นว่าถ้าคุณจะระลึกถึงลมหายใจ เราก็ไม่โกงเรานึกถึงเหตุการณ์นั้นได้เพราะค่ะงั้นสมมุติว่าขณะที่เกิดอารมณ์ไม่ มีสติอ่าณวินาทีนั้นน่ะคุณมีจิตค่ะอ่าเพราะว่าเราระงับสิ่งที่ นิวรแปลว่าเครื่องกั้นกันนะเช่นความคิดในทางกามนะ 5 อย่างนี้เรียกว่าค่ะ นั่นแหละทดตัวอีกครั้งนึงว่าต่อให้อยู่ใช่ถ้าไม่มีพวกนี้มีสติไม่ลืม ถ้าจะเราจะเจาะให้ลึกลงไปเนี่ยอาจจะพูดง่ายๆก็คือแค่สติอย่างเดียวใช่มั้ยๆ<ใช> นะเรามีใจระงับมีกายระงับก็คือเราไม่หวั่นไหวไปตามค่ะนะเราสบายใจอยู่ข้างในมีความสุขใจอยู่ข้างในข้างๆก็คือได้ฌานๆ ประดับคนธรรมดาละกันที่ยังไม่รู้ว่าฌาน 4 จะไปถึงได้ ขยายออกเป็นอยอย 2 อย่างก็คือพูดถึง 3 อย่างก็ศีล 8 อย่างก็อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมีความหมายอย่างเดียวกันนั่นเองค่ะ เอ่อเลยว่าทําให้งานเช่นแฟน นะจิตใจของเราตอนนั้นชื่อว่าประมาทนะประมาทนะเพราะว่าค่ะค่ะอย่างนอกเหนือจาก ว่ามาทำทีหรือเปล่าก็บอกใช่เค้าก็วางตรงคอนโซลที่อยู่ตรงกลางนะคะไม่ อาราธนาไปในใจน่าจะดีกว่าวางแล้วไม่ทําอะไรค่ะแต่ฉันได้ยินเค้า เล่าก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่ามีท่านอยู่ในรถแล้วมีอุบัติเหตุอืมนะคะท่านก็เลยบอกว่าในตอน เราก็รู้วิธีที่จะเข้าใกล้พระศาสดาค่ะนั่นฟังทิพย์ค่ะคิดว่าคงจะได้ สิทํา ซิ득 ติดได้พูดวจนะในเรื่องที่ๆที่สุดค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่ง แล้วไม่ต้องรอที่จะไปใช้ในวันแต่เราทําให้ตัว